ชิมาปันนาตหนึ่งอุปยวักหมวดว่าด้วยความเข้าถึงหนึ่งอุปยโสตว่าด้วยความเข้าถึง53เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นภิกษุททั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูป เมื you, ่อต <Fahrenheit. S 2> ั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูนได้วิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ภิกษุทั้งหลาย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 ก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำํำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญ ญ, ญาณถิติสีเหมือนปัทวีธาตุพึงเห็นความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุเห็นวิ ญ, ญญาณพร้อมด้วยอาหาร เหมือนพืชห้าชนิดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่เข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้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 ถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูญที่ตั้งแห่งวิญญาณไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งไม่ปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษ เพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพีชสูตรที่สองจบสอุปทานาสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานห้าสิบห้า เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัถีพระผู้มีพระภาคทรงเปร่งอุทานว่าภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม่บริการของเราก็ไม่มีถ้ากรรมสังขารคือการปรุงแต่งกรรมจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดอา ร, รัมพาคียสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่าได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจักไม่มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภากิยาสังโยชน์ได้อย่างไร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 แม้บริการเราก็ไม่พึงมีถ้าธรรมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมพาคียะสังโยชน์ได้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภิกสุผู้น้อมใจไปอย่างนี้พึงตัดโอรัมพาคียะสังโยชน์ได้ก็เมื่อพิษุรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปตามลำดับ พิกษุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับย่อมสะดุ้งในที่ไม่ควรสะดุง้งก็ปุตุชนผู้ไม่ได้สะดับย่อมสะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ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 เข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดีวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดีวิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ภิกษุ เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญยัติการมาการไปการจุดติการอุบติหรือความเจริญงอกงามไพบูนแห่งวิญญาณเว้นจากกรูปเว้นจากสัญญาสังขารภิกษุถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จจงขาดศูนย์ ถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุพิสุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อสาาวหะทั้งหลายจึงสิ้นไปตามลำดับอุทานสูตรที่สามจบสี่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 อุปทานขันคือเวทนาสสัญญูประธานขันอุปทานขันคือสัญญาสสังขารูประธานขันอุปทานขันคือสังขารห้าวิญญาณุประธานขันอุปทานขันคือวิญญาณปราบได้เรายังไม่รู้ชัดอุปทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ครั้งตามความเป็นจริง ตราบนั้นเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดอุปทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ครั้งตามความเป็นจริง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 ความดับแห่งรูปจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 8. สัมมาสมาธิสมณะหรือพรามเหล่าไดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้ว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 และปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง สมณะหรือพรามหมล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามหมล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตาเพื่อความปรากฏอีกเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนาหกประการได้แก่ 1. ่งจักขุสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส2โสตสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากโสตสัมผัส E? De ja ato, 3. าคานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากคานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากกายสัมผัส 6. มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเวทนา เพราะความเกิดขึ้นแห่งพัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งพัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสมาธิสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดว่าความเกิดขึ้นแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนาและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับเวทนาสมณะหรือพรามหมลานั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมลาใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามหมลานั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวิ น, นัยนี้สมณะหรือพราหมลาใดเหล่ า, นน ห, ลาหนึ่งรู้ชัดเวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและปฏิปัทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตาเพื่อความปรากฏอีกสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญาความหมายรู้รูปสสัทธสัญญาความหมายรู้เสียง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 อริยมรรคมีองค์แดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 8. สัมมาสมา ธ, มามาธิภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสัญญาอย่างนี้สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไรคือเจตนา6ประการนี้ได้แก่ หนึ่งรูปสัญญาเจตนาความจำหนงรูปสองสัตตสัญญาเจตนาความจำหนงเสียงสามคันธสัญญาเจตนาความจำหนงกลิ่นสี่รสสัญญาเจตนาความจำนงรสห้าโพธพัสสัญญาเจตนาความจำนงโพธพัสหกธรรมสัญญาเจตนา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 สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและปฏิบัทาให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว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 วิญญาณหกประการนี้ได้แก่ 1. จักขูวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู 3. คณาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิน้น 5. กายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย6มโนวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางใจนิ้วเรียกว่าวิญญาณเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยะมีองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสมาธิ สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณสมณะ pigs, หรือพราห ม, ม, ม์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าได้ลาวหนึง่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและปฏิปัทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นวิญญาณ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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูป 2. รู้ชัดเวทนา 3. รู้ชัดสัญญา 4. รู้ชัดสังขารห รู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณรูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูป เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับแห่งอาหารความดับแห่งรูปจึงมีอริยมรรคมีองค์แดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ8สมาสมาธิสภาพที่สุกโสมนัดอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูป สภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปทมที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูป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 สมณะหรือพาราหมเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมเหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตเพื่อความปรากฏอีกเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนาหกประการนี้ได้แก่ หนึ่งจักขุสัมผัสสชาเวทนา6มโนสัมผัสสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งภัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งภัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมีองค์แปดนี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา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 ทำเป็นที่ละชันนราคาในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสมณะหรือพรามหมล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปตาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและเครื่องสลัดออกจากเวทนาอย่างนี้แล้ว ปฏิบ mm ัต hmm. ิเพ <clapping> no <um ื่อความเบื่อน่ายเพื่อใครากำหนัดเพื่อดับเวทนาสมณนหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณนหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณนหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณนหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาสมณนหรือพรามเหล่านั้น ชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญาหกประการ น, นี้ได้แก่ 1. รุปสัญญา 2. ส, สัทธสัญญา 3. คันธสัญญา 4. ร่รสสัญญา 5. โพธทัพพาสัญญา 6. ธ, ธ, ธรรมสัญญา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 สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไรคือเจตนาหประการนี้ได้แก่หนึ่งกรุปสัญญาเจตนา 6. ธรรมสัญญาเจตนานี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมี เพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปดสัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 ชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกวิญญาณเป็นอย่างไรคือวิญญาณหกประการนี้ได้แก่หนึ่งจักขวิญญาณสองโสตวิญญาณสามคานวิญญาณสี่ชิวหาวิญญาณห้ากายาวิญญาณ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 สัมมาสมาธิสภาพที่สุกสมนัตอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณทมเป็นที่กําจัดฉันทราคารมเป็นที่ละฉันทราคาในวิญญาณ นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณเครื่องสลัดออกจากวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อนายเพื่อใครกำหนด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 เพ่งพินิษ์เป็นอายตนะสามเพ่งพินิษ์เป็นปฏิจจสมุขบาทภิกษุชื่อว่าเพ่งพินิษ์โดยวิธีสามวิธีเป็นอย่างนี้ภิกสุผู้ฉลาดในฐานะเจประการผู้เพ่งพินิษ์โดยวิธีสามวิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิง อยู่จบประมาจันในธรรมวินายนี้สัตตัถนสูตรที่ห้าจบหพระสัมมาสัมพุทธสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห8สิบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อนายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นเวทนาบัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อนายเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อนาย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 มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานว่าโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งภิษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษุทั้งหลาย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 เป็นผู้รู้จักทางรู้แจ้งทางฉลาดในทางภิกษุทั้งหลายส่วนลาวสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินไปตามทางอยู่เป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แลเป็นความผิดแพกแตกต่างระหว่างพระธถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาสัมมาสัมพุทธสูตรที่หจบ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 แมหาลิสูตรว่าด้วยเจ้ามหาลิ60สข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณครุฑการสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าฤิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกระสปะกล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้า ห, หมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้า ห, หมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย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 เพราะกำหนัดจึงถูกสังขารผูกไว้เพราะถูกสังขารผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากวิญญาณนี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่งลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณเพราะกำหนัดจึงถูกวิญญาณผูกไว้เพราะถูกวิญญาณผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย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 สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ตทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้หากเวทานานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสัญญานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสังขารนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวหากวิญญาณนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดีย ว, ว, ญญ ว, ยวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้ว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 สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้มหาลิสูตรที่8ปดจบก้อาอธิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนห1เอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอธิตตสูตรที่เก้าจบ นิรุตติปทสสูตรว่าด้วยหลักภาษา62เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณนาที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสามหลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้ง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 บรรยัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อเวทนานั้นว่าได้มีแล้วบรรยัติเวทนานั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ ไม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสัญญาใดสังขารเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกสังขาร น, นั้นได้มีแล้วตั้งชื่อสังข า, น า, นารขา น, านั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมี วิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมี 2. รูปยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏ เรียกรูปนั้นว่าจากมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจากมีและบัญญัติรูปนั้นว่าจากมีไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้ว WOW. product, เวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกเวทานานั้นว่าจากมีตั้งชื่อเวทานานั้นว่าจากมีและบัญญัติเวทนานั้นว่าจากมีแต่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 วิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณ น, นั้นว่าจากมีตั้งชื่อวิญญาณ น, นั้นว่าจากมีและบัญญัติวิญญาณนั้นว่าจากมีแต่ไม่เรียกวิญญาณ น, นั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณ น, นั้นว่ามีแล้ว 3. รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่ และบัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจะมีเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อเวทานานั้นว่ามีอยู่บัญญัติเวทนานั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกเวทานานั้นว่าได้มีแล้ว แม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสังขารเหล่าใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มี לה. แล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมี วิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสัญญานั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการคือหนึ่งหลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วภิกษุทั้งหลายแม่ชนชาวอุ ก, กะละชนบทกับชนชาววัสพัญญะชนบททั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มี อเหตุกวาธะเป็นผู้มีอากิริยะวาทะเป็นผู้มีนัตถิกวาทะก็ได้สำคัญว่าหลักการสามประการคือหนึ่งหลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดคา้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษ และถูกคัดค้านนิรุตติปัฏฐาสูตรที่สิบจบอุปยาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอุปยสูตรสองพีชสูตรสามอุทานาสูตรสี่อุปทานาปริปวัตนสูตร 5. สัตตัฏฐานาสูตร 6. สัมมาสัมพุทธสูตรเจ็ด อนัตตลักษณะสูตรแปดมหาลิสูตร9ก้อาทิตตสูตรสิบนิรุตติปัสูตร